พุทโธสุสุดโธกรุณามหันโนโภพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหนะันนกคิดอย่างนี้นะรักพระพุทธเจ้าเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้านั้นะจะคิดถึงด้วยความรักมากเลยพรนะพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกคิดเป็นภาษาบาลีพุทโธสุสุดโธกรุณามหันโนโภพอคิดตรงนี้นะเราเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยออกมา